ความพัดพลากความไม่ได้ดังใจสิ่งเหล่านี้ลนะ่ะทําให้ใจเราเป็นทุกข์แต่ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้สึกตัวตั้งสติได้แล้วก็มันจะเกิดปัญญาจะแก้ไขความทุกข์นั้นได้ทุกข์นั้นก็จะคลายไปวิธีการแก้ปัญหาชีวิตหรือทางความพ้นทุกข์อย่างนี้ลนะ่ะมันมีหลายทางด้วยกันนี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 อันนี้ก็ถือว่าเป็นทางแต่ก็เป็นทางที่ไม่ใช่ทางอีกทางแรกเป็นทางที่มันย่อนจนเกินไปก็ยังไม่ใช่ทางดับทุกข์ทางที่สองคือการบังคับกดข่มทรมานอันนี้ก็เป็นทางที่ไม่ใช่ทางดับทุกข์หนทางความดับทุกข์นั้นต้องเป็นทางสายกลางคือการมาเจริญสติปัฏฐานสีนี่เอง อันนี้แหละเป็นทางสายกลางซึ่งเป็นทางตรงการปฏิบัติธรรมเนี่ยตัว่าเป็นทางตรงของความดับทุกเป็นการปฏิบัติที่ใช้การฝึกเจิญสตินำาพาไ mm hmm. ปตัวสุดท้ายก็จะเกิดปัญญาการเจริญสติเนี่ยมันง่ายๆที่ง่ายเพราะว่าอะไรเพราะสติเนี่ยเรามีอยู่แล้วกับทุกๆคน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 เรื่องการฝึกเจริญสติให้มันชัดๆให้เข้าใจซะก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติอย่าปฏิบัติโดยที่ไม่ได้เข้าใจเนี่ยมันจะลงทิศลงทางเรืออาจจะงมงายไปได้เมื่อทำความเข้าใจแล้วเนี่ยแล้วก็ลงมือปฏิบัติโดยการมามีความสึกตัวลงไปที่กายที่ใจของเราเนี่ยซึ่งกายใจเนี่ยมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนไม่ต้องไปหาที่ไหน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 ก, ก็มีสติรู้อยู่เสมอเก็บสะสมสติเก็บสะสมคะแนนตรงนี้ให้ได้มากๆเก็บสะสมให้ได้มากๆมันอย่างกับเราอะไรเราเคยดูบาสเกตบอลไหมบาสเกตบอลเนี่ยเวลาเขาเลี้ยงเียงไปแล้วก็ชุดเข้าห่วงเขาก็ได้คะแนนแล้วพอสุดท้ายหลังจากเลิกจบการแข่งขันแล้วเขาก็มารวมคะแนนาการเจริญสติก็เช่นเดียวกัน ค่อยๆรู้ค่อยๆเก็บสะสมตัวรู้ไปเรื่อยๆไม่ต้องไปค้นหาอะไรแค่ค่อยรู้เท่านั้นเองทุกครั้งที่คลิกมือแล้วรู้สึกตัวเนี่ยเราเก็บสะสมไปแล้วหนึ่งคะแนนเวลามันปวดมันเมื่อยเรารู้สึกในความปวดความเมื่อยเราเก็บสะสมไปแล้วอีกหนึ่งคะแนนเวลาเปลี่ยนอยาบทเรารู้สึกตัวเก็บไปแล้วตัวรู้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 ย่อมดีขึ้นทุกวันสวนจะดีอย่างไรขนาดไหนนั้นคอยให้เราฝึกฝนอยู่เสมอเสมอ